อันนี้คือปัญหาของนักกรรมฐานนักปฏิบัติทั้งหลายว่าทำไมปฏิบัติมา3ปี5ปี7ปี10ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนเพราะการเดินทางตั้งแต่แรกเนี่ยมันมันไม่แน่ใจถูกบ้างผิดบ้างเฉออ่าออกพามัางกลับเข้ามาในทางบ้างก็ <sk r k> จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยการเดินทางก็เต็มไปด้วยความลังเลสงสยัยแต่พอเรามาเรียบเรียง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 ไปับฝั่งโลกิยะมาสู่ฝั่งโลกุตละในระหว่างกลางมันเป็นเหมือนห้วงน้ำนั้นหมายความว่าเราอยู่ในฝั่งโลกิยามาก่อนคือหมายความว่าเรามองออกนอกตัวเองตลอดเวลานั่นฝั่งโลกิยะแต่บัดนี้เรากำลังข้ามาฝั่งโลกุตละคือมาดูตัวเองกลับมาหาตัวเองกลับมาความรู้สึกตัวเองนี่คือฝั่งโลกุตละ